เพราะนั้นพวกเราลูกในฐานะลูกหลานผู้ที่อยู่พอที่พอผู้ที่รู้เรื่องก็ควรจะใส่ใจใส่ถามเรื่องราวว่าไปถึงไหนแล้วแล้วก็ประมาณเ0็ดสเปราก็คิดว่าคงจะทันตามเป้าหมายที่ได้กกันเก่งกันเอาไว้ันนี้ับเยีดีของลงตาถึงได้เพียงแค่นี้นะครับนักศึาญาติโยมลูกหลาน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 เรื่องวิธีการเดินเดินมั่นหรือว่าเดินแนวปฏิบัติตามแนวแถวขององค์หลวงปู่มั่นสิทธิอนุสิทธิท์ขององค์หลวงปู่มั่นสิทธญานุสิทธิท์ของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้รละโพวาทจากหลวงปู่มั่นเป็นผู้ได้นำท่านก็มาบอกกล่าวแนะนําให้กับพวกเราพวกเราที่รู้ พอแนวทางแล้วก็บอกเราให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานต่อๆกันเมื่อพวกลูกหลานได้รับรู้รับทรา บ, ร บ, รบล้ะก็วิรู้จักวิธีการปฏิบัติพวกเราก็จะได้ถ่ายทอดให้พวกหลานพวกลูกลูกหลานของเราต่อไปเองอ่ น, นีคือทายาทเพราะนั้นการแนะนำบอกกล่าวกันก็เป็นประโยชน์ในกลุ่มของเราเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล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 เราจะทำดีแล้วเราจะทำชั่วเราจะพูดดีเราจะพูดชั่วมันเลือกได้ทั้งนั้นเพราะนั้นโลกในโลกหาได้เพราะนั้นพวกเราให้เลือกถึงจะหาได้ก็เถอะเราจะไปเลือกแต่สิ่งที่มันชั่วนะเราควรจะคิดดีทำดีพูดดีเท่านั้นถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนั้นเราควรจะละไม่ควรจะหาสิ่งที่มันช่วมันชั่วไม่ควรจะหาเข้ามาสู่ใจของตนในของพวกเราควรจะหา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 มีรับถึงแปดสิโกดคำว่าโกดคำนี้ก็คือ1 0อย0ิร้ 100, อยเป็นพันสิ0 0ันเป็นหมื่นสิ0 0 0 0เป็นแสน 10,000 นเป็นล้าน1 0ล้านเป็นโกดคำว่าโกดคือ1 0ล้านตนตที้ถ้านมีเงินั้ง80ดสล้าน8 0โกดเรเศรษฐี แต่เป็นคนขี้ตะดีทีเหนียวยางมากแต่มีมีชื่อมีลูกชายค น, นเน่มีลูกชายลูกชายเป็นเด็กแล้วก็สอนความรู้ให้พ่อต่อมาเนี่ยกลูกชายกับลังเริ่มเริ่มเป็นหนุ่มพอเริ่มเป็นหนุ่มทีนีทั้งผู้พ่อเนี่ยก่เ อ, อเมื่อลูกชายใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจะบริหารจัดการกับทรัพย์สมบัติอย่างไร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 แต่ท่านพระพุทธเจ้าก็นิพพานเนี่ยคือตายเหมือนกันพระอรหันต์ท่านก็นิพพานแล้วก็ตายเหมือนกันอผู้ดีทั้งหลายสวรรค์นค ต, ตนนท่ า, า, า์ก็ตายเหมือนกันผู้ที่บําเพ็ญทานศีลภาวนาอก็ตายเหมือนกันคนยากคนจนอขนาดไหนก็ตายเหมือนกันแต่ว่าตายแต่ละคนมันแตกแตกต่างกันพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพาน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 เนีคืออินเดียก็แบ่งเขาแบ่ <c oughs> งวันณะเป็นสี่วันณะ น, นะวันณะกษัตริย์คือสูงแต่วันณาพราเนี่ยคือเป็นอาจารย์เป็นวันนาหนึนวันณะแพทย์ก็คือพวกทํามาค้าขายวันณาสูตรก็คือพวกที่ทําการทํางานเป็นลูกน้องเขาคนนี้เนี่ย เ, เขาดูถูกอย่างมากเขาไม่เห็นแตะสิ่งของอะไรเนีเหมือนกับต้องยิ่งกว่าทาสอีกแต่มที่เมืองอินเดียเขาดูถูก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 แอนที่นี้กับมอบของขอทานให้แม่็เลยห น, นีไปกับพ่อเนี่ยกัไปหาขอทานอีกจึงได้มีอิ่มเต็มปากเต็มท้องได้แต่นี้ไอเด็กพิการเนี่ยก่ออไปขอทานก็นได้บ้างกินบ้างอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างตัวเออ ใ ค, ใครไปหาใครใครใครใครก็ดูแล้วก็กลัวแต่ถ้าตาแก่ระลึกชาติได้นะแปลกทีไหนตาแก่ระลึกชาติได้ว่าตะกอเนี่ยเคยเป็นเป็นเศรษฐีอยู่ในบ้านหลังนี้แหล ะ, เ, ะเป็นเป็นเศรษฐีทีนี้พอเศรษเด็กหนุ่มคนนี้จะเข้าไปในบ้าน เ, เอีก็คุพวก ร, ปรอปภเขาคงจะเผื่อผายลืมไปนะมะ ไม่คิดว่าใครจะเข้าไปไอ้เด็กหนุ่มคนนี้เด็กไอ้คนนี้เข้าไปเด็กที่การคนนี้เข้าไปพอเข้าไปไเด็กน้อยในบ้านพอเขาล้องตกลงมันเขาไม่เคยเห็นเขาว่าปีศาจผีมาจากไหนก็งมนุษย์ตามบิดตามเบี้ยวเนี่ยป่าก็ไปทางหนึ่งจมูกก็ไปทางหนึ่งตัวดำมอมแมมอีกทางหนอ่เด็กทั้งหลายเขาไม่เคยเห็นก็ร้องไห้พวกรอปลพอกลับลากลาแขนมาก็แทกหัวนมจะเข้ามาอีกนะต่อไปนี้เออ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 พระอนุนก็เลยบอกไปบอกเอจ้าของบ้านออกมาทีแต่นี้ก็เจ้าของบ้านกับพวกบริวารในถิ่นนั้นก็เลยจัดที่นั่งให้รพระพุธองพระองค์บอกว่าอนุนเศรษฐีเด็กพิการคนนี้ที่เห็นเห็นเธอรู้ว่ารู้ไหมรู้ไว้รู้ไหมว่าเป็นใครอนุนบอกไม่รู้ครับมันเด็กจระจัดมาอย่างไรก็ไม่รู้มันเปรี้ยงปูวนป น, ปนเปื้อนอยู่แถวนี้มันจะเข้าบ้านเน่ยเขาแทะหวนมัน ทั้งหนึ่งนั่นแหละแต่ก็าจะไม่หนีจากถิ่ถ น, นี้อ ย, อยู่ในละแวกนี้อยู่พ ร, ระองค์ว่นนี้แหละอาอนน์เศรษฐีอันนี้แหละพ่อของเธ อ, เอพอพดเท่านั้นแหละเหมือนกับพระพุทธเจ้าเอาเอตับคดหรือแท้ตีหางููจงอางเลยว่างั้นเออานน์ เ, รนเศรษฐีเป็นเศรษฐีหุดนี่ยโชว์คอขึ้นมาไนเไยที่เป็นลูกของอาอนน์เศรษฐี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 อันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนานมาในพระไตรปิฎกนะคณะสทาญาทโ ย, ยมลูกหลานในมาในพระธรรมพระธรรมปปัตตกถาที่หลวงพ่อได้นํามาสาธุกมากล่าวให้กับพวกเราคณะสทาญาทโ ย, ยมลูกหลานได้ฟังเพราะฉะนั้นบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดในหลักของพุทธศาสนาพระองค์ยืนยันยืนยันและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสายหลวงปู่มั่น